แนะนำบทอัตกาสุบทอัตกาสุเป็นบทมักกิยามีแปดองค์การที่กล่าวถึงความเลิอดเลือนของมนุษย์อยู่กับสิ่งยั่วยวนต่างๆในการดำเนินชีวิตและการแข่งขันเพื่อรวบรวมสะสมจนกระทั่งความตายมาพัดพรากเอาความเลิอดเลินของพวกเขาไปเสียแล้วมันได้มาเยือนเขาโดยฉับพลันไม่ทันรู้สึกตัวแล้วมันก็ได้โยกย้ายพวกเขาจากบ้านพักไปสู่หลุมฝังศพ บทนี้ได้เตือนให้รำลึกห้ามปราบและตักเตือนทั้งนี้เพื่อเป็นการผู่สัมทับมนุษย์และเตือนให้สํานึกถึงความผิดเนื่องจากพวกเขาพัวพัอยู่กับสิ่งที่จะสูญเสียไปมากกว่าสิ่งที่จะคงอยู่กับพวกเขาบทนี้ได้จงลงด้วยการชี้แจงถึงภัยพิบัติต่างๆและสิ่งที่น่าหวาดกลัวซึ่งพวกเขาจะได้พบกับวันโลกาพินาศซึ่งในวันนั้นจะไม่มีใครผ่านพ้นหรือหนีรอดพ้นไปได้ ด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอการสะสมทรัพย์สมบัติได้ทำให้พวกเจ้าเพลิดเพลิน จนกระทั่งพวกเจ้าได้เข้าไปเยือนหลุมฝังศพเปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้แล้วก็เปล่าเลยพวกเจ้าจะได้รู้ไม่ใช่เช่นนั้น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 แล้วในวันนั้นพวกเจ้าจะถูกสอบถามเกี่ยวกับความโปรดปรานที่ได้รับในโลกนี้